ลองดูบนกระดนาษนบนจอนะเห็นความคิดที่ต่างจากเราทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุทั้งทุกและสมุทัยเป็นสายเกิดทุกทั้งหมดสายดับอยู่ที่มรรคกับ น, นิโรธ นิโรธละมัคปุถุชนคนธรรมดามีครึ่งเดียวเพราะว่าเขาทำเหตุแล้วก็มีผลอยู่ฝั่งเดียวเขาไม่ได้ทำเหตุแห่งการดับเลยเขามีตัณหาเขามีตัวตนเขามีอวิชชาที่หลอกล่อให้เขาสร้างทุกข์ไม่หยุดเลย อวิชาปัจจยาสังขาราที่เปิดให้ฟังประชาชนสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังสมมติ่าไล่ลงมาจนถึงผัสสะเวทนาแล้วก็ตันหาเวทนาเป็นปัจจยัยให้เกิดตันหาเอาละถ้าเรามองตัวสําคัญเลยคือตันหาตันหาถ้าจะจัดการกับตันหาพระเจ้าไม่ได้ให้เข้าไปจัดการที่ตันหา แต่ให้ไปจัดการที่เวทนาเมื่อเวทนาดับตัณหาจะดับถ้าจะจัดการกับเวทนาต้องไปจัดการที่ผัสสะเมื่อผัสสะดับเวทนาจะดับตัณหาจะดับคําของพระอัสสชิที่พูดกับพระสารีบุตรสิ่งทั้งหลายเหล่าใดเกิดมาแต่เหตุ มีความดับโดยสิ้นเชิงเพราะหมดเหตุจัดการกับทุกขก็ไปจัดการกับเหตุให้เกิดทุกจัดการได้ยังไงก็จัดการโดยใช้มรรคแล้วก็จะมีผลเป็นนิโรธผมถามจริงถ้าว่าวันแรกวันเนี้ยถ้าท่านอยากจะเข้าไปถึงต้นเหตุของอะไรสักอย่าง ก่อนที่ท่านจะรู้จักว่าอะไรเป็นเหตุเนี่ยมันจะเกิดผลก่อนถูกไหมวันนี้ท่านต้องทุกข์ท่านถึงพยายามจะออกแล้วก็ควานหาจนไปเจอเหตุถูกไหมมีหรอท่านจะไปเจอเหตุก่อนจะเจอผลแต่ที่มันยากมันอยู่ตรงนี้แค่นั้นแนะ่ะว่าดับได้ยังไงไปเจอเหตุที่จะมาดับ ให้เปิดเป็นนิโรธได้ยังไงแค่นั้นแหละตรงนี้แหละที่คือสุดยอดพระมหาปัญญาที่คุณเดี๋ยวนั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งครับข้อมูลมันเข้าไปเยอะและ้วให้สมาธิจัดเรียงข้อมูลหน่อยสักสิบห้านาที